ก็มาได้เจริญมงคลกันต่อเลยนะมงคลว่าด้วยการฟังธรรมการฟังธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นเหตุเพื่อกําจัดความฟุ้งซ่านเป็นเหตุให้กําจัดอกุศลวิตกเป็นเหตุให้กําจัดนิวรณ์ถ้ากล่าวถึงสภาพจิตเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่ฟังธรรมเนี่ยใจของเราก็คิดไปเรื่อย จากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งยิ่งคิดมากยิ่งฟุ้งซ่านมากยิ่งคิดยิ่งเครียดว่นงั้นเถิดยิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดแล้วยิ่งไม่สบายใจเพราะว่าสิ่งที่เราคิดถึงส่วนใหญ่เนีเป็นอาหารของอุทจะเป็นอาหารของกุบกุจจะพอคิดไปแล้วก็เดือดร้อนรำคาญใจยิ่งใครที่พอรู้บุญรู้บาปบ้าง พอคิดไปคิดไปเอ๊ะทำไมใจเราเป็นบุญน้อยเหลือเกินก็เดือดร้อนใจอีกแล้วพอฟุ้งแล้วก็ไม่สบายใจพอไม่สบายใจแล้วก็ฟุ้งต่อนั่นนะนั่นจิตของผู้ที่ถูกนิวรณ์กลุ่มลมนั้นเป็นอย่างนั้นการฟังธรรมแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นั่นนะถ้าถ้าให้จิตเนี่ยเป็นไปกับพระธรรมไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเราติดตามเนื้อหาที่เป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต่อเนื่องสมาธิก็จะเกิดขึ้น เพราะอนุภาพของกุศลจิตเนี่ยนะกุศลจิตนั้นไม่มีอุทจักเกิดร่วมด้วยเอกคตาก็มีกําลังเมื่อเอกคตาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องกันไปจิตก็มีกําลังมากยิ่งขึ้นใจก็ตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นที่เป็นไปกับคําสอนความรู้ความเข้าใจในพระธรรมก็จะมากขึ้นความรู้ความเข้าใจในพระธรรมที่มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้แหละ เรียกว่าทำเรียกว่ารู้อัตรู้ธรรมก็จะก่อให้เกิดปีติและปราโมทในกุศลธรรมปีติปราโมทอันนี้ผู้ที่เจริญได้ถูกต้องอันนี้เรียกว่าจเจริญปีติสามโพชงเพราะว่าปีติอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดการตรัสรู้ได้เนี่ยนะเป็นปัจจัยที่สําคัญให้เกิดการตรัสรู้เพรันความรู้อัตรู้ธรรมนี้ก็เป็นธรรมวิจยะสามโพชง น, นะะละลึกเป็นไปในพระธรรมอยู่เสมอก็เป็นสติสัมโพชง น, นะนะก็จิตตั้งมั่นก็เป็นสมาธิสัมโพชงหันกุศลธรรมทุกครั้งที่เราเจริญก็ตั้งไว้เพื่อเป็นองค์เป็นองค์ที่ทำให้เกิดการตรัสรู้อันถ้าเจริญกุศลธรรมเหล่านี้พาวิตาพระหูลีกตาเนี่ยนะคืออย่างที่เมื่อวานที่กล่าวว่าผู้ที่เจริญโพชฌงเหล่านี้ทำให้มากแล้วทาให้ชํานาญ น, นะ พาหุรีกตาก็คือทําให้มากยานีกตาก็คือทําให้เชี่ยวชาญหรือทําให้ชํานาญประดุดยานที่ขับอย่างคล่องแคล่วถ้าใครเจริญให้มากทําให้มากจนชนํชนานิชํานาญกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยจะมีอุปการะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดการตรัสรู้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดการพ้นทุกข์เนี่ยนะอันการฟังธรรมโดยเฉพาะ พระธรรมในาพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าหากว่าฟังเข้าใจแม้แต่สูตรเดียวก็เชื่อว่าได้อุปนิสัยมีอุปนิสัยที่จะทำให้ตรัสรู้ตามพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าในเรียนธรรมะมาจบสิบสูตรแล้วนะเนี่ยในสิบสูตรและสองวันสิบสูตรนี่มาขึ้นสูตรวักใหม่อ่ะนะขึ้นวักใหม่วัที่สองในหน้าหนึ่ง็ ข้อ51มุดเจลินสูตรนี่ก็แสดงว่ายังเหตุการณ์อยู่แถวแถวสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรูใ้ใหม่ๆประทับอยู่ที่ควงไม้มุดเจลินใกล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราตําบลอุรุเวลาไอ้สะมุดเจรินหรือต้นมุดเจลินอันนี้เนี่ยอยู่ห่างจากต้นโพประมาณสองกิโลยังไง Yes. สะมุเจรินข้างๆนั้นเป็นสะจำลองสะจริงๆนี่นอยู่ห่างจากตรงนั้นสองกิโลยังเป็นท้องทุ่งนาอยู่เลยก็ไม่มีใครไปบูรณะปฏิสังขรณ์อะไรก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งสเสวยวิมุตติสุขอยู่ด้วยบลังอันเดียวตลอดเจดวันในสมัยนั้นอากาศละเมกใหญ่เกิดขึ้นแล้ว เร่ว่าเป็นเมฆที่ตกไม่ใช่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นเมฆฝนพิเศษมาเนะฝนตกพรมตลอดเจ็ดวันมีลมหนาวประทุสร้ายถ้าอยู่กลางแจ้งอยู่โคนไม้นี่ชัดมากเลยนะฝนตกหนักๆเจ็ดวันเนี่ยนะแล้วก็ลมโชยด้วยหนาวเย็นจะเยือกเนี่ยนะถ้าหากว่าฝนมันฝนเนี่ยซาซาลงหมยายความว่ามันไม่ค่อยตก พวกเรนพวกรายเนี่ยเยอะไปหมดเ อ, อนีนะนะยุงก็เยอะเอกตกหนักก็น้ำเหน็บเอกเนะใครที่เคยอยู่ท้องทุ่งเนี่ยจะรู้ชัดเลยว่าไอ้ฝนตกแบบนี้เนี่ยมันทรมานขนาดไหนนะนะถ้ายิ่งไม่มีร่มไม่มีกระทร่อมด้วยนยีหนักมากอย่างพระผู้มีพระภาคตอนที่พระองค์ประทับนั่งเนี่ยไม่มีกระทร่อมอะไรหรอกอนะนะก็นั่งอยู่โคนไม้ธรรมดา น, นี่แหละ แล้วที่นั่งเนี่ยถ้าหากว่าคนทั่วไปไปนั่งเนี่ยยังนึกไม่ค่อยออกว่านั่งยังไงเพราะมันชื้นมากอ่ะพื้นดินฝนตกพรำๆเนี่ยมันก็ชื้ น, นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีความเพียรที่ยิ่งใหญ่ที่ไหนบ้างที่พระองค์ประทับอยู่ไม่ได้ครั้งนั้นแลพยามุจลินนาคราชออกจากที่อยู่ของตนมาวงรอบพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยขนดหางเจ็ดรอบแผ่พังพานใหญ่เบื้องบนพระเศียนด้วยตั้งใจว่าความหนาวอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าความร้อนอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้านันก็อาศัยพญานาคกันนะพญานาคมาทำเป็นมาวงล้อมอันนี้เรียกว่าอะไรนะ สมัยใหม่ก็เรียกว่าปางอะไรปางหน้าปกใช่ไหมพระพุทธรูปปางหน้าปกนะครั้นพอล่วงสัปดาห์นั้นไปพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากสมาธินั้นคือเสด็จออกจากอรหัตผลสมาธินะนะครั้งนั้นพยามุจลินหนาคราชทราบว่าอากาศโปรง่งปราศจากเมฆแล้วจึงคลายขนดหางจากพระกายพระผู้มีพระภาคเจ้าเนรเมิตเพศของตน คือเ น, ร, นรมิตเป็นหนุ่มนะเป็นชายหนุ่มยืนอยู่เฉพาะพระภักพระผู้มีพระภาคเจ้าประนมอัญเชลีนมาส ก, การพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ลําดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงส่งเปล่งอุทานขึ้นในเวลานั้นว่าวิเวกเป็นสุขของผู้ยินดีวิเวกนี้เป็นชื่อของนิพานะนะนพานนะนะนิพพานเนี่ยเป็นความสุขของผู้ยินดีด้วยมรรคหรือผู้อยู่ด้วยมรรคนะ มีธรรมะอันสดับแล้วคือมีธรรมะที่ปรากฏชัดหมดแล้วเนี่ยพิจารณาเห็นอยู่ซึ่งนิพพานเห็นอยู่ก็คือเห็นนิพพานะความไม่เบียดเบียนความไม่เบียดเบียนก็คือมีเมตตาอยู่ด้วยเมตตาความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายก็คืออยู่ด้วยกรุณาเนี่เป็นสุขในโลกพันเมตตาการุณานี่เป็นเหตุให้มีความสุข ความเป็นผู้มีราคะไปปราดแล้วหมายวามว่าไม่มีราคะเนี่ยนะก็คือก้าวล่วงซึ่งกิเลสกามทั้งหลายเสียได้ในโลกเนี่ยเป็นสุขความนำออกซึ่งอัศมิมาณะเสียได้นี้แลเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าไม่มีความถือตัวสัอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นความสุขจริงๆต้องไม่ถือตัวด้วยอรหัตตามรรคนะเพราะบางคนเข้าใจผิดก็เลยปล่อยตัวไปเลยก็มีอีกอันนั้นก็เกินไปนั่น ท่านคำว่าไม่มีอัสมิมาณนะก็คือกำจัดความถือตัวด้วยอรหัตตมรรคได้เป็นความสุขที่แท้จริงมาค่อยดูข้อความอัตกรถาทบทวนตามลำดับที่บอกว่ามหาอากาละเมโคเนี่ยนะก็คือเมฆที่เกิดขึ้นในเมื่อยังไม่ถึงฤ ด, ดูฝนช่วง วิสาขะหลังวิสาขะนี่ก็ยังถือว่าเป็นฤดูร้อนอยู่ยังไม่เข้าฤดูฝนเข้าฤดูฝนเนี่ยจะเริ่มใกล้ๆช่วงๆเข้าพรรษาโน่นนะจะเป็นฤดูฝนช่วงวันเข้าพรรษานี่แหละเข้าฤดูฝนพอดีนดอนนฤดูฝนตามตามตามบ али นะตามคนแขทตามยุคสมัยแต่ว่าไอ้ฝนจริงๆมันตกเริ่มตกกันไหนไม่ค่อยแน่หรอกมันตกทุก12เดือนนี่แหละ นึกอยากตกเมษามันก็ตกเมษาบางปีเนี่ยน้ำท่วมใครจะไปเชื่อนะบางทีกลุ่มพาน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะแต่ประหลาดมากแล้วก็เป็นยุคสมัยที่ไม่มีอะไรแน่นอนเหมือนใจนี่แหละมหาอาการละเมิเกิดขึ้นเต็มห้องจั ก, กรวาลทั้งสิ้นในเดือนสุดท้ายของคิมหันฤดูคือฤดูหนาว สัตตาหวัทธลิกาเมื่อมหาอากาละเมฆนั้นเกิดขึ้นแล้วได้มีฝนตกไม่ขาดระยะตลอดเจวันก็คือฝนพรมตลอดเจวันมุจลินโทนามนาคราชาได้แก่พญานาคผู้มีอนุภาพมากบังเกิดในนาคพิภพอยู่ภายใต้สะโบก ค, ครณีใกล้ต้นมุจลินนั่นแหละอันพญานาคเนี่ยถ้าบุญมันให้ผลพร้อมที่จะมีวิมานอยู่ตรงไหนก็ได้ อยู่ใต้สะแห่งไหนก็ได้เนี่ยนะพันทิศบอกว่ามีพญานาคม่น้ําโขงก็ไม่น่าแปลกใจอะไรก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะตามพระไตรปิฎกนี่การพูดถึงนาถพูดถึงอมนุษย์พูดถึงผีพูดถึงเทวดาอุยเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาจริ ง, รงๆไม่ได้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อะไรเลยเนี่ยนะพญานาคนี้แผ่พังพานใหญ่บนเบื้องบ น, บ น, บนส่วนพระเศียรของพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ยินว่าพญานาคนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนโะคนไม้ใกล้พบของเราก็คือใกล้วิมานเราอนะและฝนพรมตลอดเจ็วันนี้ยังเป็นไปอยู่ควรที่จะได้ที่พรมนักสําหรับพระองค์พญานาคนั้นเมื่อไม่สามารถจะเนรมิตรปราศาสตร์อันแล้วด้วยรัตนเจ็ก็ก็เลยคิดว่าเมื่อเราทําอย่างนี้จะกชื่อว่าไม่ได้ยึดกายให้เป็นสาระ เราจะทําความขวนขวายทางกายแก่พระทศพลจึงเนรมิตกายให้ใหญ่ใช้ขนดใช้ขนดล้อมพระาศาสดาเจ็ดรอบแล้วแ ผ, ผ่พังพานไว้เบื้องบนก็ <Champion. S 1> คือถ้าหากว่าเนรมิตปราศาทขึ้นใช่ไหมร่างกายเราไม่มีสาระอะไรเลยนะไม่มีประโยชน์จากร่างกายเลยเพราะฉะนั้ <S <s <ad> คนควรแสวงหาประโยชน์จากร่างกายก็เอากายเนี่ยเป็นวงล้อมของเราทั้งหลายนี่วิ่งนีเลยนะ งูบรมขนาดนั้นเนี่ยนะพญานาคเนี่ยหนีเลยแหละว่างั้นแต่ว่าพระองค์ก็ทรองไม่ได้มาคิดเรื่องนี้หรอกเนี่ยทีนี้เอ่พญานาคเนี่ยนะท่านขนดภายในวงล้อมเนี่ยเท่ากับเป็นห้องเลยนะเป็นปร า, าสาทก็คือเป็นห้องเลยได้ยินว่าพญานาคนั้นมีอัธยาศัยดังนี้ว่าพระศาสดาจักประทับนั่งอยู่ด้วยอิริประทับอยู่ด้วยอิริยาบท ที่ทรงมุ่งมา่ปรารถนาคือสรุปว่าไอ้ขนดวงเนี่ยเดินจงกรมในนั้นได้อะขนดใหญ่มากนั่งก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ตามเดิมนั่นแหละยับยั้งอยู่ตลอดเจวันในที่นั้นเป็นประหนึ่งกูตาคาร ม, มีหน้าต่างปิดมิดชิดประตูมีเล่มสลักสนิทดีก็เหมือนกับห้องที่เรานั่งเนี่มั้งเนาะ พญานาคนั้นคิดว่าขอความหนาวความร้อนสัมผัสแห่งเลือบยุงลมแดดเป็นต้นอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยจึงได้กระทําอย่างนั้นในการกระทําอันนั้นเฉพาะความร้อนย่อมไม่มีเพราะฝนตกทำตลอดเจดวันก็จริงถึงอย่างนั้นถ้าฝนขาดเม็ดเป็นระยะ ะ, ยะความร้อนก็จะเพิงมีความร้อนแม้นั้นก็อย่าได้เบียดเบียนเลยเพราะฉะนั้นพญานาคคิดอย่างนั้นก็ควรแล้ว ท่านไม่ต้องการให้เกิดความหนาวเกิดความร้อนเนี่ยนะอันนี้แสดงว่าถวายโผฏฐพรม์พระผู้มีพระภาคเจ้าเต็มที่ไม่ต้องการให้พระองค์เนี่ยหนาวร้อนไม่ต้องการให้เหลือบยุงลมแดดเป็นต้นเนี่ยไปกระทบพระวรกายของพระองค์เรียกว่าให้โพธฐพะเป็นทานผู้ที่มีศรัทธาเขาก็เป็นเช่นนี้แหลแต่หน้าเสดายนะพญา น, นาคเป็นผู้อาภัพเป็นสัตว์อาภัพไม่สามารถตรัสรู้ได้พอ พระองค์ประกาศธรรมะนี้ก็ยังพอเป็นวาสนาต่อไปคือหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะประทับอยู่เจ็ดวันแล้วพระองค์ทราบเนื้อความเหล่านั้นทั้งหมดคือรู้ความเป็นไปนะที่บอกว่าบทว่าวิทิตวาคือรู้ว่าบัดนี้อากาศปราศจากเมฆพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีอันตรายจากวิโรธ่ปัจจัยมีความหนาวเป็นต้นก็ได้เนรมิตรูปของพญานาเป็นหนุ่มน้อย พระผู้มีพระภาคทราบว่ า, ารู้เนื้อความนี้โดยอาการทั้งปวงคือรู้ความเป็นไปตลอดทั้งหมดเลยนะเอตามาถังก็คือทราบเนื้อความนั้นหมดพระองค์ทราบว่าอย่างไรทราบว่าความสุขเท่านั้นย่อมมีในที่แห่งใดแห่งหนึ่งแก่ผู้เสวยสุขอันเกิดแต่วิเวกคิดง่ายๆว่าวผู้ที่บรรลุอริยมรรคเข้าพระสัมมาบัตนะิที่ไหนก็เป็นสุขที่ไหนก็เป็นสุข ความทุกข์นี่มีอะไรเป็นอารมณ์รู้ไหมโดยมากมีสังขารธรรมเป็นอารมณ์ถ้ามีสังขารเป็นอารมณ์โดยมากมันทุกข์มากทําไมจึงทุกข์อ่ะเพราะสังขารมันบกพร่องโดยตัวของมันเองอย่างเช่นถ้ามีรูปเป็นอารมณ์เนี่ยนะคิดว่าจะสบายใจหรือไม่หรอกทําไมเพราะรูปเปลี่ยนไปเรื่อยเมื่อรูปเป็นเปลี่ยนไปเรื่อยยังใจให้เปลี่ยนแปลงตามถ้ามีเวทนาเป็นอารมณ์จกสบายใจหรือก็เวทนาก็เปลี่ยนไปเรื่อยถ้ามีสัญญาสังขารมี วิญญาณเป็นอารมณ์ด้วยล่ะถ้ามีใจเป็นอารมณ์ด้วยเนี่ยจะเดือดร้อนขนาดไหนใช่เพราะใจหนึ่งแป๊บหนึ่งมันก็คิดไปเรื่อยแต่ตรงกันข้ามถ้ามีวิเวก ค, ความสงัดจากรูปสงัดจากเวทนาสงัดจากสัญญาสงัดจากสังขารสัณฑ์จากวิญญาณเนี่ยน ะ, สะเสวยสุขที่เกิดจากวิเวกวิเวกนี้หมายถึงพระนิพพานสเสวยสุขที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงเป็นความสุขที่แท้จริงพอพระ อ, องค์รู้ว่าอาการที่ หลีกเร้นแล้วเข้าพระสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะเป็นความสุขพระ อ, องค์ก็เลยอุทานอุทานเป็นการเปล่งอุทานด้วยอนุภาพหรือแสดงถึงอนุภาพแห่งความสุขที่เกิดจากวิเวกคือสุขที่เกิดจากพระนิพพานบทว่าสุขโควิเวโกได้แก่อุปทิวิเวกกล่าวคือพระนิพพานนี่เป็นเหตุนามาซึ่งความสุขนะนิพพานังประมังสุขขังที่เคยได้ยินว่า พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งผู้ใดสัมผัสกับพระนิพพานผู้นั้นก็จะประสบแต่ความสุขเนี่ยนะประสบแต่ความสุขเพราะไม่ถูกกิเลสเป็นต้นราดรถซึ่งต่างจากอย่างอื่นเนี่ยนะคออย่างอื่นนั้นสบายด้วยสุขเวทนาก็จริงแต่ความสบายอันนั้นก็ไม่ยั่งยืนอะไรซึ่งไม่เหมือนกับอรยิยมรรสสัมผัสกับพระนิพพานที่เป็นความเย็นเนี่ยนะ เย็นที่สงบประงับจากสังขารโดยประการทั้งปวงและก็สลัดออกจากสังขารโดยประการทั้งปวงนั้นจึงเป็นความสุขและก็เป็นเหตุให้ได้รับความสุขสุขขณะตรัสรู้สุขขณะสเสวยวิมุตติสุขและก็หลังจากนั้นเป็นความสุขที่พ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงตดทาได้แก่ผู้ยินดีด้วยสันโดษในจตุรมัรสันโดษในที่นี้เนี่ยนะ บางคนเนี่ยสันโดษเลอะเกินเนี่ยนะกุศลอะไรก็ไม่ทําเลยก็ามาเจอตรงนี้เข้านี่เงียบเลยใช่ไหมสันโดษด้วยมัคซีสันโดษจริงนะต้องสันโดษด้วยโสดาปฏิมกักสกาธาคาเมมัมกอนาคาเมมัมกและอะรหั ต, ตมักเนี่ยนะถ้าสันโดษจริงต้องสันโดษด้วยมัคซีแต่บางคนเขบอกไม่ทําอะไรเลยกลายเป็นคนสันโดษเนี่ยนะก็อันนั้นก็ธรรมะของคนขี้เกียจอะสิแต่นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ธรรมะของผู้ขี้เกียจแต่เป็นความสันโดษในอารยมักทั้งหลาย สุตธรรมะศาสตได้แก่ผู้มีธรรมะอันพระองค์ประกาศแล้วคือปรากฏแล้วก็อริยสัจทั้งมวลเนี่ยนะมีอะไรบ้างที่ไม่ปรากฏชัดแก่ปัญญาของพระองค์พระองค์นั้นมีธรรมะทุกชนิดทั้งสังคตะอสังคตะปรากฏชัดโดยประการทั้งปวงปสัสโตเมื่อเมื่อเห็นอริยสัจชัดแล้วนะท่านเห็นอะไรเห็นวิเวก ค, คือพระนิพพานหรือสิ่งที่ชื่อว่าจะพึงเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดด้วยญาณจากักษุ ที่บรรลุด้วยกําลังแห่งความเพียรของตนญาณจักรสูนี่รู้อะไรญาณอุทะปาทิญาณอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิ PM. วิชาอุทะปาทิอ า, า traveler. อาโลโกอุทะปาทิวันนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรากเลยนะฮะญาณจักรสูนั้นก็คือจักรสูที่เห็นอริยสัจผู้ที่เห็นอริยสัจนั้นเห็นด้วยกําลังแห่งความเพียรนะกําลังแห่งวิริยะเห็นอริยสัจนี้ เอาอะไรเป็นเครื่องวัดว <ver> ่าเห็นอริยสัจแล้วเห็นฟันงอกไอ้ฟันไม่งอกแล้วนะฟันฟันร่วงถึงเนาะผมงอกหนังเหี่ยวย่นอย่างนี้หรือเปล่าเห็นทุกขสัจหรือยังยังนะเห็นอริยสัจนี่เอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาพระนิพพานเป็นเครื่องวัดถ้าเห็นนิพพานนั่นแหละจึงเรียกว่าเห็นอริยสัจแต่ช่องทางที่จะเห็นนิพพานได้ไม่เห็นฟันงอกได้ฟันฟันร่วงเป็นต้นได้ไหมไอ้วันนี้นี่เมาแต่เช้าเลยเนี่ย สวดมนต์ก็ไม่ได้สวดยังก็เม้าอีกพราะฉะนนผู้ที่เห็นทุกขาริยาสัตว์เนี่ยนะถ้าเห็นทุกขาริยาสัตว์ได้อย่างสมบูรณ์สามารถตัดชััชนราคะในสมุทัยได้แทงตลอดพระนิพพานก็นั่นแหละจึงจะเรียกว่าเรียกว่าเห็นอริยสัตว์อัพยาปัจฉังคือภาวะไม่กําเริบอัพยาปัจฉังเนี่ยนะก็อะไรนะอัพยาปัชะก็คืออย่าเบียดเบียนเนี่ยนะ พระองค์แสดงส่วนเบื้องต้นมีเมตตาเป็นอารมณ์หมายค่ะว่าหมายถึงเมตตาที่เป็นส่วนเบื้องต้นคือผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยนะเบียดเบียนผู้อื่นไหมไม่เมตตาเป็นอย่างไรเมตตาคือน้อมนำประโยชน์เข้าไปให้สัตว์อื่นลักษณะของเมตตานะเช่นว่าน้อมนำความสุขไปให้เขาน้อมนำความสุขทางกายน้อมนำความสุขทางใจ น้อมนาประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งไปให้ไอการที่สามารถน้อมนำํำความสุขความไม่เบียดเบียนความไม่มีเวรเป็นต้นไปให้นี่แหละเรียกว่าเมตตาปานภูปานภูเตสุสั ญ, ญโมความว่าและความสำรวมในศาสตร์ทั้งหลายคือไม่เบียดเบียนเป็นเหตุนํามาซส่งความสุข บทว่าปานภูเตสุสัญญโมนี้พระองค์แสดงถึงส่ว น, วนเบื้องต้นอันมีกรุณาเป็นอารมณ์อันนี้หมายถึงว่าการุณาที่เป็นเบื้องต้นนะสะรุปว่าจเจริญเมตานำหน้าจเจริญกรุณานำหน้าการุณานี้เป็นอย่างไรกรุณาก็คือมีใจอนุเคราะห์เห็นความทุกข์ของผู้อื่นก็ทนไม่ได้น้อมไปบำบัดทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลาย นะน้อมไปบำบัดความทุกข์ทางร่างกายและจิตใจเนี่ยนะกำจัดสิ่งที่เสียหายกําจัดสิ่งที่เลวร้ายออกจากสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าการุณาอย่างน้อยที่สุดก็ไม่เบียดเบียนไม่ประทุสรายผู้อื่นทางจิตใจสํานวนว่าไม่ซ้ําเติมนะถ้าเขาทุกข์อยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดผู้ที่มีกรุณาก็ไม่ซ้ําเติมน ะ, เ พ, ะเพราะคนที่ขาดการุณาเห็นคนอื่นเดือดร้อนนี่เป็นยังไงฉันว่าแล้วเชียวใช่ไหมย้ำใหญ่เลยนะเรียกว่า เขาบาดเจ็บเนี่ยนะเหมือนกระตปูปักลใช่ไไปช่วยตอกตะปูนั้นให้มันเข้าลึกๆเข้าไปอกอนงะนั้นแนหะเรียกว่าขาดการุณาเรียกว่าซ้ำเติมแต่บางคนเขาไม่ได้ซ้ำเติมหรอกเขาต้องการจะแนะนำสั่งสอนว่านี่ความผิดพลาดเกิดจากอะไรบางคนก็เลยโกรธอีกว่าอย่ามาซ้ำเติมฉนนนนนันนะเขาว่างั้นนันะคนขี้โกรธก็เป็นอย่างนั้นแหละทุกอย่างที่คนอื่นเขาชี้แนะบอกว่าเขาซ้าเติมก็มี ตรงนี้หมายถึงพระผู้มีพระภาคนั้นเจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นเจริญกรุณาเป็นเบื้องต้นก็คือเจริญพรหมหานเป็นเบื้องต้นหลังจากที่พระองค์เจริญพรหมหานพระองค์ก็เข้าพร ะ, ะสมาบัติต่อไปได้เนี่ยนะก็อาศัยเมตตาเป็นบาตเจริญวิปัสสนาแล้วก็เข้าพร ะ, ะสมาบัติต่อไปบทว่าสุขาวิราคตาโลกเกแม้ความเป็นผู้ปราศจากราคะ เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขในโลกถามว่าเป็นเช่นไรตอบว่าเพราะผ่านพ้นกามทั้งหลายได้อธิบายว่าแม้ความเป็นผู้ปราศจากราคะที่ท่านเรียกว่าการผ่านพ้นกามทั้งหลายเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุข น, นะนะเพราะว่ากามทั้งหลายเนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าประดุษนี่เป็นเป็นเหมือนกับความเป็นนี่เนี่ยนะไอความเป็นนี่เนี่ย ถ้าหากว่า น, นี้ที่ไร้ทางแก้ด้วยไร้ทางเยียวยานี่จะเป็นยังไงดีไหมไม่ดีนะมีแต่ความกดดันมีแต่ความทุกข์ใช่ไหมมั้นถ้าหากว่าการมราคาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าปล่อยให้ราคาเป็นต้นเนี่ยกำเริบเสบสารมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่มีกุศลธรรมมาเยียวยาเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ก็เหมือนกับเราไปหวังอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมหวังแล้วหวังในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ด้วยแล้วก็หวังในสิ่งที่ มันไม่ดีด้วย น, นะจะสุขไหมค น, นะว่าในแต่ทุกอย่างเดียวเลยนะพราะการผ่านพ้นจากกามราค้าได้เนี่ยเป็นความสุขพ้นด้วยอะไรพ้นด้วยอนาคามีมัชนะอัสมิมานะสาวินโยกำจัดมานะเนี่ยนะวินัยตัวนั้นแปลว่ากำจัดกำจัดอัสมิมานะได้กำจัดด้วยอะไรด้วยอรหัตตมัช ยังอยู่พระรหัส ต, ตรัสว่าอสมิมานสะสัตติปัสสัตถิวินโยการกําจัดอสมิมานะด้วยปฏิปัสสัตถิก็เป็นชื่อพระรหัสนะถ้ า, ารหัสเฉยๆเนี่ยเป็นชื่อของอรหัส ต, ตะผลผู้ที่เข้าถึงอรหัส ต, ตะผลได้นั่นแหละก็ไม่มีอสมิมานะโดยประการทั้งปวงอันนี้ชื่อว่าความสุขยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยเป็นความสุขสุดยอดแล้วนะเนี เอตังเวประมังสุขขังบอกว่าสุขที่สุดแล้วสุขสุดยอดแล้วใครมีความสุขที่สุดในโลกนี้ท่านก็บอกว่าพระอรหันต์เนี่ยมีความสุขที่สุดในโลกไม่มีผู้ใดเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเท่ากับพระอรหันต์ถ้าเทียบไปแล้วพระพุทธเจ้านั่งอยู่โคนต้นไม้มุจลินเนี่ยมุจลินบางแห่งท่านบอกว่าต้นจิกต้นจิกแล้ว สบไวความสุขอยู่อย่างนั้นเจ็วันเนี่ยถ้าตอนนั้นนะถ้าเทียบกับพระเจ้าประสเสนที่โกศลกับพระเจ้าพิมพ์ิสารใครสุขกว่ากันพระเจ้าพิมพิสารอยู่ปราศาทตรมีสนมกำนันมีหมอนมีเตียงเป็นอย่างดีกับพระพุทธเจ้านั่งโคนไม้เนี่ยนะฝนตกด้วยนะใครมีความสุขที่สุดบอกว่าพระพุทธเจ้ามีความสุขเพราะคนทั่วไปถึงจะอยู่ในที่มีร่มเงาเนี่ยนะแต่ก็เร่าร้อนด้วยราคะเร่าร้อนด้วยโทสะเร่าร้อนด้วยโมหะแล้วก็ ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าอยู่ในเวทวงคนมีกิเลสด้วยกันเนี่ยทุกคนก็จะนําปัญหามาให้ใช่ไหมไอคนน้นนําเรื่องไม่สบายใจนี่ก็คุยกันคุยกันในที่สุดนํามาซึ่งความไม่สบายใจทั้งหมดนั่นแหละซึ่งต่างจากพระผู้มีพระภาคเจ้าสังัดจากสังขารธรรมโดยประการทั้งปวงสังัดจากสังขารธรรมด้วยอนุปัสนาจนสามารถเข้าพระสมาบัตพระองค์จึงเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนั้นความสุขที่สูงสุดจริงๆเลยก็คือความ สงบจากสังขารโดยประการทั้งปวงแต่บางคนเขาเข้าใจว่าไอ้วิเวกตัวเนี้มันต้องไปหลีกเล้นไปนั่งอยู่คนเดียวก่อนใช่ไหมเชื่อไหมถ้าไม่มีกรรมฐานเนี่ยอะไรจะทุกข์เท่านั่งอยู่คนเดียวไม่มีอีกแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยทุกข์ที่สุดถ้าไม่มีกรรมฐานไม่มีสมถะไม่มีวิปัสสนาเนี่ยนะมันทั้งเหงามันทั้งอะไรนะใครเคยไปเคยไปอะไรนะ ให้เขาไปให้เราไปเฝ้าอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่คนเดียวทั้งวันเลยนะไม่ยอมให้ไปไหนด้วยให้อยู่ตรงนั้นนะห้ามคุยกับใครไม่มีวิทยุโทรทัศน์ไม่มีอะไรสักอย่างนั่งอยู่คนเดียวทั้งวันเลยนะโอ้ยอะไรจะทุกข์เท่านั้นได้มีอีกไหมห้ามเห็นห้ามได้ยินห้ามพูดคุยกับใครเนี่ยทุกข์มากพันธะอันนี้หมายคำ ว, ว่าวิเวกหมายถึงกายเนี่ยวิเวกแล้วก็ใจก็วิเวกจากนิวรณ์ด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์ที่วิเวกจริงๆคือ พระนิพพานถ้าอย่างเนี้ความสุขแน่เป็นความสุขที่ที่แท้จริงนี่ยนะบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาบุญที่เราเจริญจงเป็นปัจจัยให้ได้ประสบความสุขอันนี้ด้วยเถอดเนี่ยนะ เ, เราเกลียดความสุขหรืออย่างไรอ้าวก็สัตว์พูดเกลียดทุกข์รักสุขเหมือนกันเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่าโดยมากไม่ค่อยกล้าปรารถนาความสุขอันนี้แบบตามสภาวะนะคำคํานี่อาจจะใช่ละ แต่อัธยาศาัยในอย่างไม่พอเนี่ยนะถ้าเราสงัดจากตานี่คงจะมีความสุขมากสงัดจากหูนี่คงมีความสุขสงัดจากจมูกสงัดจากลิ้นสงัดจากกายสงัดจากใจเลยคงจะมีความสุขกล้าคิดอย่างนี้บ้างไหมนี่ถ้าสงบจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คงเป็นความสุขจริงๆเลยแหละเนี่ยนะแต่ไม่ได้แปลว่าตายนะคนละเรื่องกันไอตรงนี้ที่น้อยคนที่จะคิดว่าเป็น ความสุขแต่พระพุทธเจ้าบอกเป็นความสุขจริงๆเพราะความสงบสังคตะธรรมทั้งปวงนั้นเป็นความสุขมันก็วิจัยเลือกเฟ้นจนกว่าจะประสบกับความสงบสุขที่ที่กล่าวไปแล้ว